ปาทิม c จันตตา โ ท, ทภคคาวา ราวาหีแลวธรรมามนัสสามีข้าพเจ้านามสกัรพระธรรมสุปติปน สาพังขวัตโตบุพพังคณมการังกโรมาเส Die, die, d บุต์เป็นผู้รู้ผู้นผู้เปิกบานด้วยรมพระคาวาทีเป็นผู้มีความจเจริญกรรแห่งกรรสัมโสสัสดตา น, นิอนดมยังบุตธาพิคิติ ผู้ไม่มีกิเลสพระองนั้นด้วยเสียงตราบุูทหัว ท่านางวานดานิทานสิร เป็นธาตุของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสราเนื้อขาวพระเจ้ามูโถดุขาสขากตากวิทาตากะหิตาสเอฆพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องกำจัา สาริรังทีตังทีตังข้าพระเจ้ามรรายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าวันดนโูหัจริสามีพุทธเสวสุโคทิตังข้าพระเจ้าผู้ว้อยจตกพระพุทธาม ซึ่งความประสารูดีของพระพุทธเจ้านาที่เมสรานังอันยังพุทโธเมสรานังว่ารังสารณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสารณาอันประเสริฐของข้าพเจ้า เอตนะสัจเจวะเจนะวะเตยังสัตตุสาสิด้วยการกล่าวคำศัพท์นี้ข้าพระเจ้าปึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสนาบุตรังมีวันดมานยญาญา ย่งปัสุกังกิขาข้าพระเจ้าผู้ไว้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ควรควาคุณใดในภัตนิสาเวทิอันตารายญามีมหาสุขัสเตชะสา ผันตาทายค้ามปวงยาได้มีแค่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนานบอกการยินว่าจะยินเทศสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดี โูเทขุกรรมมัปะัระยายังกหน้าทีเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทแล้วในพระพุทธเจ้าบูโปฏิกาห้ดวงทะยนตขอพระพุทธเจ้าทรงงดสิ่งโทษดวนเกินอนานต์ารตะเรสังวริตุวะพุเท เพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปอันดำไมยังธรรมา น, นุสติในยังกัโรมาเสสาวาตตุปาตวะตา วได้ตราดไว้ดีแล้วสานพิติโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอาคาริโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้คนได้ไม่จำกัดการ เอปาสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปาณิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจังเวทิตาบริญยูหิติเป็น รู้ก็รู้ได้เพตนดันี้ทันดมยังธรรมาพิคติังกอรูมาเสสวกาทาติคุณายวะเสนสยพระ พผู้มีพระภาเจ้าตรัสไว้แล้วเป็นต้นโยมัคคะาคัปปาริยติวิโมกะเทโดเป็นทางงานจำแนกเป็นมากุลปริยและนิทาน ตามโมคุโรกัปตะนาตะคะฮาริคาริเป็นทารทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจะทานตกไปสู่โลกที่ชั่วบวชนามังตรมหารางวารธรรมมเีตังค่ น่าวาดพระธรรมอันประเสริ t นั้นอันเป็นเครื่องกระจัยเสียสึ้นความมืดธรรมโมโยสะปะปากบารนินังสารนงเขมมุตมมังพระธรรมไงเป็นสารนาอันกเกษมสูงสุดของสักดิ์ทางลาย ดุติยานุสติธางวันดามิตังสิเรนังข้าพระเจ้าว่ว้พระธรรมนังอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกคงที่สองด้วยเสียงกรา ฐานมาสาหาสนิดาสวาัมโมเมสามิกิสรข้าพระเจ้าเป็นภาคของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมอิสระเหืือข้าพระเจ้า อมโมดุคาสัาคาตวิตาตัตวิตาสเมพระธานเป็นเรื่องกังกรภูกและส่งไว้ซึ่งประโยชน์แก่าพระเจ้าธัมมาสมานิยาติมิสริรังชีวิตันทีดัง ขอ่ายเทว้ชีวิตนี้แด่พระธรรมวันนันโตันจาริสามีธรรมมาเสวะสุธรรมมารามข้าพระเจ้าผู้ว้อยู่จากประพฤติทามซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรม นาติเมสารานัญยัธรรมโมเมสารานวะังสารานื่งของข้าพระเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสารานันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเทนสัจวะเทนวะเคยยังสาธุสาสนี ด้วยการกล่ า, าวคำสัตย์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาธรมมะเนวันลมานุเนยังปุญญังปสุตัิทัข้าพระเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระธรรม ได้คนฝ่ายบุญใดในบัดนี้สาบตร์ิอันตารายามิมหสุภาสเตชาอันตารายทั้งวกวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้น กายนวชายวตเตตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีท้ามีขุคามาปะตะน้อยย่ยังกรรมหน้าที่เตียนอนันใดที่ทาข้าเจ้าข้าทำแล้วในประธรรม พรโมกขติทานอันตัวแะยันตาขอพระธรรมจงหมทซึ่งโทษดวงเกินอ น, นันต์กาลันตะเรสรวริตุงวธรร ม, มีเพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในขานต่อไป อันดำมยังสังขานนดสติในยังการโรมาเซสุปาติปานโนภาคาวะตสาว ะ, ะสัจโทภทรงสาวกของราภูมิพระภาคเจ้ามูได ปฏิบาติแล้วผู้ชุบปฏิปันโนพระาวโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระทาคเจ้ามู้ใดปฏิบาตตรงแล้ว ยายาปฏิปันโนภาคาวะโตสาวะกะสังโฆสมสาวโอของพ ร, ระภูมิพระภาคพระผู้ใดปฏิบาติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว สามิติปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆทสงสาวกของราผูมีพระภาคเจ้ามูัยปฏิบาทสมควรแล้วยาติทั้งได้แก่ผู้คนแล้วนี้คือ ชาราปุริสายุคานิอาตาปุริสบุคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่าเปรียงทั่วบุรุษได้แปดบุรุษเอสสะภาวะตัวสะวาจัสโก นันแหละสงสาโวของราผู้มีพระภาเจ้าปาหุนนยโยเป็นสงควรแก่ส ก, การะที่เขานำมาบูชาปาหุนนยโยเป็นสงควรแก่ส ก, การะที่เขาจัดไว้ตอนรั ดาทินายโยเป็นผู้ควรราคะิีาทานอันชาลิกาณิโย ο, เป็นผู้ที่บุคคนทั่วไปควรทำอันชาลีอนุตารังปุญญาเทตังโลกาสติเป็นเนื้ อ, อนาบุญของโลก ไม่ีนาบุญอืนยิ่งกว่าดัมนี้หันดำยัยงสังคาพิกิติงกโรมาเซ ส, สัธคามโชสุปติปาติคุณาดิยุโต พระสงที่เกิดโดยรรพระสัทธรรมพระขอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นตน้นโยธาพิโทอริยบุคคลสังพระเศโทเป็นโอแห่งพระอริยอุโคลหันพระเสริแตกคำพวก สีราหิธรรมปาวาราสยกายติโตมีกายและทิฏฐานาสายธรรมมสินเป็นต้นนาโบว์วอนคามธรรมตวิญญาณขาสุสุทงข้าะาไว้โมแห่งพระอริยเจ้าเหานั้น อาบบริสุทธิ์ด้วยีสาโโยสาพาานินางสาราเกะมุตตมันพระทรงมูไดเป็นสารานกษิสูงสุดของสัทัายปฏิญาณสติทานางวันดามิทางสิเรนะ ข้าพระเจ้าว่ายพระสงฆ์ูนัน้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกคงที่สามด้วยเสียงเ้าสมภาษาสร้า ส, สมิดาโซวาชังโคมสาอิกิสรงข้าพระเจ้าเป็นทาของพระสงฆ์ พระทรงเป็นนายมิสราเนื้อข้าพระเจ้าสร้างคดูคาสภาตาเจาริธาตาจาริตาสมมพระทรงเป็นเรื่องาการจดรูกและทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้า สันขาสังขิยาเดิมิสรตรังชีวิตอังทีดังข้าพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระสงค์วันดานติหังจาริสามิสังพาสโสปฏิภาณนาัง ข้าพระเจ้าผู้ว่าอยู่จากพระพุทธามซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงค์นาทีมาา่สมสารนางรังอันยังสังโูเมสารนังวรังสารนัอื่นของข้าพระเจ้าไม่มี พระทรงเป็นสารณะหันพระเสริฐของข้าพเจา้าเอเทนัสกัจวาเทนวาเทยังสาธุสาสนีด้วยการกล่าวคำสตบ์นี้ข้าพเจ้าพึงจเจริญในพระาศาสนาของพระาศาสดา สามทางเมีวัด น, น, น, นามาเนียยังปุญญาปัสสุตตังอิท่าข้าพระเจ้าผู้ไหวอยู่ซึ่งพระสมได้ควรไควบุญใดในบนัดนี้สาบเทียนการายาเมไม้สุตัสะเตชะสา อันตาลายตั้งทวงอย่าได้มีแค่ข้าพระเจ้าด้วยเด็แห่งบุญานมกาเยนว่าจาเยวะเจตสาวะด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสังเคขุกรรมปะกัตังมายายัง กรรมหน้าที่เทียนันใดที่ข้าพระเจ้าข้าทำแล้วในพระสงค์สร้างขอ้อปติคานท่านตัวจะ ย, ยันตาขอพระสงค์โจงงซึ่งโทษ ด, ดวงเกิดอันนั้นกาลันตะเรสังวริตุงวะสังเทเพื่อกอ า, ารสำรวงระวังในพระสงค์ในการต่อไป เปิดไปหน้าสามสิบสองฮันดมิยังอภินาปัจเวคณาปาทัังพนามาเซชาระธรมโมนีเรามีความแก่เป็นธรรมดาชารังานติ เราจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้บายาทิธารรมโมลีเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมาบายาทิงานาติโตเราจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้ มาราณาธรมโมฬีเรามีความตายเป็นธรรมดามรณัมอานาติโตเราจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สะเปหิเมติเยหิมานะเปหินาณะภาววินาภาโว เราจะละเว้นเป็นไปทางต่างคือว่าจากพระพร ะ, พระจากของรักของจเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมสกโลมีเรามีกรรมเป็นของของตนกรรมใดยะโธ เราเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นกรรมโยนีเราเป็นผู้มีกรรมเป็นกำรเนิดกรรมมานถูเราเป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพานันกรรมมาปฏิสารเอ เราเป็นผู้มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรรมังกริสามีเราจะกระทำกรัมอันใดไว้การะยานั้ว่าภาภักังว่าดีหรือชั่วตาสาดายาโทภวิสามี เราแะเป็นผู้ราพุนของการ น, นั้นเอวังหามเฮียทินานปัจเจเวทิตพานเราจะทิจารณนาอยามีทุกข์ทุกวันแล้วเกิดไปหน้าสามสิบเจ็ดแผ่นเลตา สัพสัตตา โยปนามาเซหินนาปุญญากรรมนาอุปชัยญาคุณตรระหาจารยปการราชมาตริตาเจียกกา สุริโยจันดิมาราชคุณวันตาณาราปิกาพระมาราจินทาราโลกาภาร a เ a วะตายะโมมิตามนุสสะธรมะชตาเวริกาปิกา ส YES ัพเพสตาสุขีโหตุปุญญาณิปะกทานิมีสุขังจักทิฏฐังเป็นตุขีปังปะเปทะโวมะทังอิมินาปุญญากรรมนาอิมินาอุติเสนาจัก พ a พาห์สุลภ p เดวะกังขุปาดานเชตนัเดสันตานิธามายาวาลิ w านโตมะมังนาสันตุสาวรีย์วายทัชโตคะเวคะเว โอชุติตังสติปัญญาสัมฤคภิริยทินามานาณพันตุโนกสังฆทุนเจวิเยสุเมบุทราลีภาวาโรนาโตธรรมโมนาโุวรุตตโม นาโทปเทาบุโทโธจสังโฆนาโทตโรมะนังเทสสตตมาลุคาเวนามารกาสังรานตุมาก็การทรรมวัดเย็นสิ้นสุดแต่เพียงเท่านี้ ขาลาคาทโยภนะหามาเสสสามบุตร ท, ทีปาทางเสถโลนิสินนเทว อย่างยาง ย่างคนวียนาในว่าตา Oh. Yeah.